เป็นวันเดือนสิบแรมแปดคำ่ำกงกับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสี่วันคืนปีเดือน ร่วงไปล่วงไ ป, ง ไ, ปไม่ใช่ร่วงไปตั้งแต่วันคืนปีเดือนชีวิตคือความเป็นอยู่ของคนเรานี่ก็ร่วงโรยไปเช่นเดียวกันกับวันคืนปีเดือนนั่นเนีะมันร่วงโรยไปใกล้ต่อความแตกดับอาศัยบุญกุศล ที่ตนท ร, ร ม, มาแต่ก่อนอุปถรัรมภำรุงไว้จึงยังไม่แตกดับก่อนเมื่อบุญกุศลหมดลงเมื่อใดชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปดังนั้นทุกคนจึงต้องเตรียมสร้างบุญสร้างกุศลไว้ เผื่อชาติหน้าต่อไปชาตินี้เราอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำอาชกรให้เข้าใจถ้าเราไม่ทำบุญกุศลไว้ชาตินี้ชาติหน้าต่อไปก็ลงเป็นคนทุกข์เป็นคนจนจนทางทรัพย์ทางปัญญา ในเมื่อบุคคลที่ยังละอาสวะกิเลสยังไม่หมดนี่มันจำเป็นต้องอาศัยบุญกุศลพาท่องเที่ยวไปในสงสารอันนี้ก็ยังชั่วหน่อยก็มีความสุขความเจริญไปเหมือนอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้แหละ ก็อาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องนำดวงจิตวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องของมารดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบุญนั้นมันก็ตามรักษามาบางคนก็จนถึงเท่าแก่ชราอายุเจ็ดสิบแปดสิปีข้าไปแล้วนี้ก็ สำหรับคนยุคนี้สมัยนี้มีอายุสั้นแต่ข้างพระเจ้าไม่เกินร้อยปีแต่สมัยทุกวันนี้คงไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีถ้าเกินนั้นไปก็ร่างกายก็ชุดโทมใช้การไม่ค่อยได้ จะไปทำการทำงานหนักหนาอะไรก็ไม่ได้นี่อย่างพูดที่พูดอยู่นี่ก็เหมือนกันนะอายุมันเลยอายุไขเลยเจ็ดสิบห้าปีไปถึงเจ็ดสิบเก้าปีนี่มันแมจะเดินจะเหินไปไกลก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวเหนื่อยมันไม่เหนื่อยแต่ร่างกายไนี่มันเหนื่อยหัวใจพุ่น นันเลยหัวใจล่าเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าบุญกุศลมันน้อยลงไปแล้วมันจวนจะหมดอยู่รลอมลอลอยู่แล้วทุกคนก็คงจะรู้ตัวผู้ที่มีอายุเข้าสู่โลกเลขหก 6, เลขเจ็ดไปแล้วนั่นนะ่ะนับว่าคงจะรู้ตัวแล้ว ร่างกายสังขารนี่มันทุดโทรมลงอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่มันก็คงอ่านตัวเองออกได้ผู้ที่อายุยังไม่ถึงนั้นก็อย่าไปเข้าใจว่าจะไปอยู่ยั่งยืนนานเกินกว่าอายุไขไปส่วนมากไม่ทันถึงอายุไขนะตายแล้ว ผู้เลยอายุไขไปก็ไม่กี่ปีแล้ว น, นี่นพระเจริญต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีผู้ใดมาคำนวณถึงอายุสังขารที่ตนได้มาด้วยบุญด้วยกรรมอย่างว่านี่เห็นว่าเป็นของมีน้อยนิดเดียวหนึ่งอย่นี้ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้ฝึกตนให้เป็นผู้ที่บริสุทธ จากบาปจากโทษบนทินต่างๆทำยังไงตนจะบริสุทธิ์จากบาปโทษก็เอาเลยก็มีอุบายมีปัญญาถ้าขาดอุบายปัญญาแล้วนั่นยอมละบาปไม่ได้คนเรานะ่ะเพราะว่าบาปนี่มันเป็นอุปสรรคของชีวิต หรือว่าเป็นมารของชีวิตก็ว่าได้มันคอยขัดขวางไม่ให้ทำความดีได้ทันพอจะทำความดีมาบางทีมันก็ให้เจ็บให้ป่วยลงไปแต่ไม่ถึงตายแต่หากว่าไม่มีกำลังที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีให้ได้เต็มที่ อันเนี้ยท่านจึงเรียกว่าบาปนี่มันเป็นมารของชีวิตแต่คนส่วนมากมันไม่เห็นโทษของบาปเพราะมันอาศัยความหลงความเมาเข้าครอบงำจิตใจเมาในความเป็นเด็กเป็นเล็กเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความวัยกลางคน เมาในความเป็นคนแก่ที่กันทัพผู้ที่หลงพี่เมาแล้วก็เมาอยู่ในวัยเหล่านี้แหละเมื่อได้ไวัยเด็กวัยหนุ่มก็เมาเล่นอืมเมาเล่นเมาหัวไม่รู้จักช่วยตัวเองอะไรได้เลยอาศัยพ่อแม่เป็นโยูแต่พอถึงวัยหนุ่มวัยสางมาแล้ว ก็เมาในความรักความใคร่แสวงหาแต่งสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละวะนี้ถ้าพูดอย่างเจียมแจ้งก็ฝ่ายชายก็แสวงหาหญิงที่ตนรักใคร่ฝ่ายหญิงก็แสวงหาชายที่ตนรักตนใคร่ก็จึงได้ มีการสังคมกันมีกา ร, รมรสพบชักชวนกันไปดูมรสบรพบกบเง้นได้อยู่ใกล้คิดกันแล้วสุขใจสบายใจคนสมัยทุกวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเอาแอามากดเสียเนื้อเสียตัวเขาไปอันฝ่ายหญิงฝ่ายชายมันไม่เสียหายอะไรหรอกฝ่ายหญิงนั่นแหละเป็นฝ่ายเสียหาย แล้วก็หมดค่าหมดราคาไปอย่างนี้นะควรคิดควรพิจารณาไอ้ความเป็นหญิงสาวจะเป็นของมีค่ามากก็ต่อเมื่อรักนวสนสงวนตัวไม่เสเพลไม่ปล่อยกายปล่อยใจไปให้เพจกงกันข้า ม, มรักษาตัวให้ดี ทำตนให้ดีขยันมันเพียรในการงานฉเฉลียวฉลาดในการต้อนรับปฏิสันฐานแขกคนท่านอย่างนี้แล้วมันก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวคนเรานะ่ะไม่จำเป็นเลยเี่จะต้องไปแสวงหามาหรอกก็แต่ปรับปรุงตัวเองให้มันดีงามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรักโวนสงวนตัวไว่อย่างนี้นะ ไอ้ฝ่ายเพศกรงกันข้ามมันก็ยิ่งมองยิ่งสนใจถ้าผูใ้ใดปล่อยกายปล่อยใจไปเป็นเหตุให้เขามองเห็นว่าอืมไอ้หญิงคนนี่นะเห็นจะเป็นคนที่มกักมา ก, มากในกามมีความกำหนัดกล้าถ้าไปได้แต่งงมแต่งงานกะเดียวก็จะไปทำชู้จากผัว เขาคิดเห็นอย่างนี้เขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็หลอกหาความสนุกไปชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วเขาก็ทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานี่มันต้องรู้สึกตัวสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองแล้วต้องอ่านต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็หาทางหลีกเว้น ไม่เดินไปทางนั้นกดทางดำเนินหนึ่งชีวิตในโลกนี่นะมันก็มีสองทางนี่องะทางดีกับทางชั่วใครใครก็ยอมรู้ดีแต่คนผู้หลงผู้มาแล้วมันถ้าไม่รู้จักเลือกเลยเจอดีกท็ททำดีไปเจอชั่วกท็ทำชั่วไปอย่างนี้เนี่ยไม่เลือกคนมีสติมีปัญญาเขายอมเลือกกว่านี้นะ ในระหว่างของดีกับของชั่วใครผู้มีปัญญาเขาอยู่ไปเอาของชั่วนั่นนะเขาก็คว้าเอาของดีนั่นแหละอืไปปกครองไปร่วมสุขร่วมทุกข์อั น, นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละชีวิตของคนเรานี่นะเมื่อเรารู้ว่ามันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในใจนี่อย่างเนี้ย แล้วก็ภาวนาเพ่งพิจารณาเข้าไปเพ่งเข้าไปเมื่อเพ่งเข้าไปนี่กิเลสมันจะดิน้นเมื่อมันดิน้นมันแสดงอาการออกมาให้รู้แล้ววันนี่นะเอะกิเลสอันใดมีอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาให้รู้วนันนี้เออนี่กิเลสอันนี้นะมันรบ ก, กวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ แล้วมันทำคนให้เสียคนกับพวกกิเลสเหล่านี้เพราะเป็นผู้รู้อำนาจเก่กิเลสเหล่านี้เรียกว่าปล่อยตนให้เป็นไปตามอานาจของกิเลสนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็กําหนดละกันได้ถ้าไม่รู้หน้ารู้ตาไม่รู้ลักษณะอาการของกิเลสชะนี้ก็ละมันไม่ได้ มันก็ละไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์ที่มีพิษเมื่อตนไม่เห็นมันไปเหยียบมันเข้าหรือไปจับมันเข้ามันก็กัดเอาอย่างนี้แหละอันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเมื่อบคุคคลไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสความชั่วร้ายแฝงอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อเวลาตนเผลอสติมันก็โดนใจคิดไปทางต่ำก็คิดไปตามมัน ระลึกไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีคิดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสติคุ้มครองจิตใจกิเลสมันถึงผลักดันให้เกิดความคิดต่ำลงไปออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าคนเฒ่าคนแก่ถึงจะเป็นผู้ห่างไกลจากความรักความใคร่ เหล่านั้นมาแล้วแต่บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกจิตใจตัวเองไอ้อย่างนี้นี่มันก็ยังไปเกาะไปคล้องอยู่ส่วนอื่นนั่นแหละอา่าไม่รักไม่ไม่รักความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปรักลูกรักหลานรักสถานที่อยู่อาศัยห่วงใ ย, ยกับ เงินทองเข้าของอะไรเท่าไรห่วงกับลูกกับหลานกลัวลูกหลานจะเป็นทุกข์จะไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นเขาในกิเลสของคนแก่อันนี้นะันเพียงนั้นต้องอ่านดูใจของใครของเราให้รู้ลูกหลานใ้เมื่อเราเลี้ยงใหญ่มาแล้วเขารู้เรียงสาแล้ว เขาไม่มีปัญญาจะช่วยตัวเองได้กัและตัวเรื่องของเขาก็โยนให้เป็นกรรมขอ ง, ของเขาซะทะั้นแหละเออเขาทําบุญกุศลมาแต่ก่อนมันน้อยไปเมื่อ บ, บุญกุศลมันน้อยไปแล้วสติปัญญาอันไรก็ไม่มีบะนี้ที่จะคิดสร้างตัวเองให้เจริญง่งเลืองด้วยลาบยศสนเสริญความสุขความเจริญต่างๆนี่มันมันไม่มีปัญญา นี่คนบุญน้อยนะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญญาเราต้องนึกถึงบุญถึงกรรมของตัวของตัวเองแนะของคนอื่นเป็นอารมณ์มือนถึงปล่อยวางได้ใครเลยจะไปเอต้านทานต่ออํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วได้เมื่อกรรมชั่วมันจะให้ผลอย่างนี้นะไม่มีอํานาจใดจะมาต้านทานได้เลย มันยอมให้ผลไปตามการตจเวลาที่มันมาถึงเข้ากรรมดีก็เหมือนกันเมื่อมันถึงเขามันจะให้ผลเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้านทานได้เลยก็บุญกุศลนมันก็ให้ผลทำชีวิตของบุญนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นปัจจุบันทันด่วนไปเลยอย่างนี้นะเนี่ยจึงว่า อำนาจของบุญของบาปนี่มันอยู่เหนือชีวิตของมนุษย์เราทีแรกเรานี่แหละสร้างมันขึ้นมาบ้านี้เมื่อเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็มีอำนาจเหนือชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นคิดพิจารณาดูให้ดีถ้ามันไม่มีอำนาจเหนือชีวิตอย่างนั้นบาปมันก็ให้ผลไม่ได้ในเมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์อืม ก็ยอมขีดกันบาปได้ถ้าตนมีอำนาจเหนือบาปนะอันนี้แต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้มีอำนาจเหนือบาปเพราะฉะนั้นบาปมันจึงให้ผลได้ถึงเวลามันให้ผลมามันก็ให้ผลทำให้ชีวิตเสื่อมโทรมลงไปหาความสุขได้ยากมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของมนุษย์เราที่มันสูงสูงต่ ำ, ต, ำต่ำไม่สม่าเสมอกัน ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำนี้เองเนาะผู้ใดผู้ใดรู้ผู้ใ ด, ดพิจารณาเห็นอนุภาพแห่งกรรมอย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกทําแต่กรรมดีแบบนี้นะนัส่วนกรรมชั่วนั้พยายามละเว้นในอ่างไกลออกไปเรื่ยอยอืเมื่อพยายามทํากรรมดีให้ใส่ตนในมากเข้าไปเท่าไห ตนก็มีความสุขกิจสุขใจมากไปเท่านั้นแหละวันนี้ส่วนร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้แม่บุคลอยากทำบุญกุศลในชาตินี้อธิษฐานอ้อนวอนขอให้ร่างกายนี้สมบูรณ์พูนสุขขอให้มีอายุยืนยาวนานสืบต่อไปนานๆนนอย่างนี้กับมันก็บุญใหม่นี่ก็ช่วยไม่ได้ บุญใหม่นี้จะมาทำร่างกายที่บุญเก่าตกแต่งไว้นี้ให้ดีงามขึ้นกว่าเก่าไม่ได้เลยอใอ้เข้าใจเพราะว่ามุญและบาปนี่มันไม่ก้าวไก่กันหรือบุญเก่าบุญใหม่บาปเก่าบาปใหม่ไม่ได้ก้าวไก่กันเลยให้เข้าใจถ้าบุญเก่า กำลังให้ผลอยู่อันบุญใหม่ที่ตนทําในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลไม่ได้นี่นะขอให้เข้าใจถ้าบุญใหม่นี้มันให้ผลได้บุคคลมันก็ยอมเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหมดสิเพรคนไทยเรานี่พอแต่รู้เลียงสาวมาก็ทําบุญมาอย่างนั้นเนะี่ยจนเท่าจนแกนก็ไม่เห็นว่ามันเจริญรุ่งเรือ ง, งขึ้นกว่าเก่า มันก็อยู่เท่าเก่าบุญตนสร้างมาเท่าไรก็อต์อำนวยผลใ้มีความสุขอยู่เท่านั้นนี่แหละให้พาคำสันนิษฐานดูให้ดีเมื่อเราสันนิษฐานดูอย่างนี้เราถึงจะรู้ชัดลงไปว่าเอออันบุญใหม่นี่มันอำนวยผลในทาง จ, จิตใจผู้คนผู้ทำบุญกุศลแล้วใจสบาย อันนี้จริงอยู่ละ่ะให้ผลดังจิตใจในปัจจุบันนี้นะสมทบกับบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ทำให้จิตใจสบายขึ้นมีสติปัญญาดีขึ้นอย่างนี้ส่วนรูปกายนั้นยังเท่าเก่าไม่ดีขึ้นกว่าเก่าเลยบุญใหม่นี่ก็ช่วยไม่ได้ จะว่าช่วยไม่ได้ใช่เลยก็ไม่ใช่ช่วยได้เป็นบางสิ่งบางอย่างก็เช่นว่าบุคคลเป็นผู้สมทานมั่นในสินทั้งห้าประการนั่นอย่างนี้นะไอ้ข้อที่หนึ่งก็ป้องกันไม่ให้บุคคลผู้นั้นนะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่น ซึ่งผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วถูกจับกลุมไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางนี่แล้วก็ป้องกันไม่ให้ท ะ, ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันในระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันสินข้อพนักตบนีนะมันรวมถึงการทะเลาะวิวาทพิษเถียงกัน ไม่ใช่หมายเอาแ ต, ตะถ้าสัตว์ให้ตายอย่างเดียวนะการทะเลาะวิวาทกันบาดหมางซึ่งกันและกันโมนี่เมื่อโกรธมาแล้วกดอทอดทิ้งกันไปเสียไม่มีเมตตากรุณาต่อกันโมนี่มันก็เรียกว่ามันทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยทางอ้อมมันก็จัดเข้าในสินข้อที่หนึ่งนี่แหละ ให้พากันพิจารณาดูให้ดีสินนั่นอ่ะอำานวยผลทั้งให้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เนี่ยสินข้อที่สองอก็ป้องกันไม่ให้บุคคลผู้มีสินข้อที่สองนั่นไปหยิบฉวยเอาของผู้อื่นด้วยความโลภเจตนาโดยไม่รู้ตัว เมื่อเจ้าของก็รู้ว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับไปจึงก็รู้ตัวอย่างนี้ก็มีในบางคนนะในบางคนก็เจตนายึดฉวยเอาสิ่งของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ไปคนไม่มีสินข้อที่สองนี่นะถ้ามีสินข้อที่สองแล้วแม้เห็นสิ่งของของใครตกอยู่ก็ไม่ถือเอาอืม นอกแากว่าจะถือเอาแล้วเอาไปแจ้งผู้เยาวากำนันหรือไปแจ้งนายให้นายโคตณนาหาเจ้าของมาเอาแต่นั้นแหละอย่างที่เขาลงหนันือพิมพ์มาหมดนั่นนะเด็กๆอายุก้าวควบสิบขวดเก็บกระเป๋าเงินทองเขาได้เขาก็ยังเอาไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโคษณนาหาเจ้าของมาเอาคืนไปนี่แสดงว่าเด็กเหล่านั้นเขาเคยรักษาศีลมาในชาติก่อนเขาเว้นจากอธินาทานมาแล้วเป็นนิสัยประัยติดตามมานี่แหละผู้มีศีลข้อนี้ก็จะไม่ไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มพอไปลักไปล่อเอาไปหลอกไปลวงเอาสมหวัิผู้อื่นมเป็นของตอน นี่แหลได้ว่าคุณของศิลป์เนี่ยให้ผลในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มีไม่มีใครเขาคิดปองร้ายจองผ่านตนเองเพราะว่าตนเองไม่ไปไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยถ้าหากว่ า, าปไปหยิบไป่วยไปหลอกลวงเอาสมบัติเขามาเป็นของตนอย่างนี้เจ้าของทรัพย์เขาย่อมผูกอาคาดจองเวร ตนก็อยู่ไม่เป็นโชคในในจงังหวะผู้มีศีลข้อที่สองนี่มันสบายเป็นอยู่ได้สบายไม่ต้องนอนสะดุง้งศีลข้อที่สามก็เหมือนกันบุคคลผู้ที่ไม่มากๆในกามเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติธรรมภาวนาสำรวมจิตใจของตนอยู่คมใจของตนอยู่ ไม่ราคะตัณหาข้อความจิตใจจนเกินขอบเขตเช่นนี้มันก็ไม่ได้ไ บ, บพึ่รล่วงสินข้อที่สามคือไม่ได้ไปทำชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอย่างนี้มันก็ไม่มีเวรในปัจจุบันน่ะถ้าหากว่าล่วงสินข้อนี้น่ะถ้าผู้ชายไปล่วงกระเวนในเมียของคนอื่นเขาผัวเขาลู้เขาก็อาคาด คอยตอบแทนแก้แค้น อ, อย่างนั้นเลยถ้าหากว่าผู้หญิงไปร่วงเกินสามีของผู้อื่นในทางประเวณีเมื่อสามีเขารู้เขาก็อาฆาตเมื่อได้โอกาสเขาก็ทำร้ายเอามีอยู่ทั้มไปในโลกอันนี้นะ เกือบจะว่าทุกวันก็ว่าได้ทุกวันแล้ยไหมถ้าคิดถั่วทั่วประเทศซือทั่วโลกนี่แล้วการบรูรพิดในกรรมดังกล่าวมานี่นะมีอยู่ทุกวันเละคิดถั่วไปทั่วโลกนี่แล้วสินข้อที่เียเมื่อบุคคลสมทานมั่นได้จริงแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้มีวาจาเป็นสัตว์เป็นจริง กล่าวอะไรนั ain, ่นพูดอะไรออกมานั่นเป็นสัตย์เป็นธรรมเป็นสัตย์ด้วยเป็นธรรมด้วยนะอันความสัจจริงบงอย่างน่ะเป็นความหลอกลวงให้คนหลงผิดไปอันนั้นเนี่ยบอกความสัจอันนั้นไม่เป็นธรรมอืมให้เข้าใจเห็นไหมภาษาสดาจึงว่าเป็นสัตย์ด้วยเป็นธรรมด้วยออความสัจความจริงที่เราพูดออกไปนั่น เรียกว่ามันเป็นความจริงถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ดีก็ไม่ดีจริงผู้ฟังผู้ได้ยินได้ฟังวินิจฉัยรู้ก็รู้ว่ามันไม่ดีจริงอย่างที่พู้นั้นว่าอย่างนี้นะผู้ที่พูดว่าบุคคนลนั้นดีหรือว่าเรื่องนั้นดีอย่างนี้เมื่อพิสูจน์ดูแล้วก็เห็นว่าดีจริงนั่นแสดงว่าผู้นั้นพูดจริง ไม่ได้เอาคำเท็จมาพูดให้คนหลงเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ไม่โอทภัยไม่มีภัยที่เกิดจากคำพูดคำจา ก, ก็ไม่มีผู้ใดไม่มีสินข้อนี้แล้วก็แสดงว่าไม่สำรวมวาจาของตนแม้ตนพูดมีเจตนาพูดเท็จออกไปก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัว ต่อภัยอันตรายที่จะมีแก่ตนในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่ได้คิดถึงเลยถ้าไปคิดพิจารณาดูดีๆแล้วจึงว่าสินข้อที่สามนี่เมื่อบุคคลมารักษาสมทานมั่นลงไปแล้วคนทั้งหลายย่อมไวเนื้อเชื่อใจยอมเป็นผู้ไม่เบียดเบียน และถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผู้น้อยเคารพนับถือเพราะว่าเป็นผู้กล่าววาจาเป็นสัตยเป็นธรรมและกล่าววาจาอ่อนโยนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าผลแห่งการรักษาศีลที่เราจะพึ่งได้ในปัจจุบันเป็นองั้นศีลข้อที่ห้าบุคคลผู้ใดสมทานมั่นแล้ว ไม่ล่วงเกินอย่างนี้เนะี่ยก็เป็นผู้มีสติมีปัญญาดีเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยอันร้ายแรงไม่เบียดเบียนเพราะน้ำเมานั้นเพราะไม่ได้ดื่มน้ำเมาโรคตับโรคปอดจึงไม่เกิดมีออย่างนี้แล้วจิตใจก็เป็นปกติ ไม่ฟั่นเฟือนถ้าบุคคลผู้ดื่มสซดามากๆเข้าไปแล้วจิตใจฟั่นเฟือนกลายเป็นคนจริตไม่ดีขึ้นมาพูดพร่ำไปทั่วะไรมอไแล้วไม่รู้จกผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้ว่าใครจะเกลียดจะชังอะไรไม่รับรู้ทั้งนั้นเลยอย่างนี้แหละแล้วนอกจากนั้น มันก็ตัดทอนอายุให้สั้นเข้าไปก็เมื่อโลกภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงเข้าไปแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ได้ยังไงล่ะ ม, มันอยู่ไม่ได้อย่างมุคคอนผู้ที่สู้พุทธิจัดอย่างนี้นะเท่าที่เห็นเห็นมาอายุไม่ยืนน่ะ ทางว่าสูบไม่มากแต่พอประมาณท่ก็ไม่เท่าไรแต่ผู้ที่สูบมากมากเนี่ยสังเกตมาแล้วอายุไม่ยืนเบงนั้นเป็นโรคปอดคนสูบบุหีมากๆนี่ยถ้าไม่ปอดเสื่อมคุณภาพเลยโดยเฉพาะยาซิการเล็ตที่เขาทำขึ้นขายสมัยนี้เขายิ่งผสม น้ำยาเคมีอะไรต่ออะไรเพื่อให้มีกลิ่นหอมให้คนชอบซื้อเอาไปสูบอย่างนี้นะแล้วก็ทั้งยาที่ปลูกทุกวันนี่นะแล้วก็ต้องฉีดยาฆ่ า, มาแมลงโอริโดนป้องกันสัตว์ที่จะกินใบยานั้น ถึงแม้จะเอามาหั่นมาซอยเป็นยาเป็นยาเส้นละมวนบุรีสูบอย่างนี้มันก็อาจจะมียาฆ่ า, มาแมลงนั้นติดมาด้วยทุกวันนี้นะแต่ก่อนนั้นมันไม่มีไม่ได้มียาฆ่ า, มาแมลงฉีดอะไรทั้งหมดเป็นใบยาบริสุทธิ์ ล, ล้วนเลยซอยมาแล้วมาสูบมันก็ไม่ค่อยเป็นภัยต่อร่างกาย แต่ทุกวันนี้นะ่ะแม่สิ่งเหล่านี้อย่าว่าแต่พวกยาสูบอูนี่เลยแม่แต่พักต่างๆพ้นไม้ต่างๆที่ปลูกลงไปในดินนะ่ะต้องเฉดยากันมแมลงทุกอย่างไปเลยจึงค่อยเหลือมแมลงกินได้ออืถ้าไม่เฉดยากันมแมลงเราไม่ได้กินเลย ผักนี่เพราะฉะนั้นควรลวกดีกว่าไม่ควรที่จะรับประทานผักจดจดเช่นผักกะลัมผักกาดอะไรโมนี้นะผักอื่นๆที่ปลูกแล้วฉีดยากันมแมลงโมนี้ควรลวกให้สุกซะก่อนฆ่าเชื้อแล้วอย่างนี้เรามารับประทานมันก็จะไม่เกิดโทษต่อไปในภายหลัง มันต้องหมุนไปตามยุคตามสมัยแหละทำยังไงสมัยนี้มันสมัยที่คนบาปนาสาโหดมาเกิดมากมเมื่อคนบาปมาเกิดมากคำเวีนมันกลมมากเพราะฉะนั้นลองคิดดูอ่ะแต่ก่อนนี่นมันแรงต่างๆที่มากินพืชต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนในนางนไม่มี มีก็มีน้อยน้อยแต่เดี๋ยวนี้นะไม่ว่าข้าวไม่ว่าพักอะไรต่ออะไรมีมแมลงเป็นศัตรูของพืชต่างๆนอันนี้ทั้งนั้นเลยอ้อาจจำเป็นต้องได้ฉีดยาฆ่าการรุนละมุนไวไปเชียงใหม่ยังวมีโยมผู้ชายคนหนึ่งเขาปลูกยารบยียนีเหมือนกันเนี่ยแต่เชียงใหม่อะเขามาหาแล้วเขาก็มา ลาลราไปฟังว่าผมนั่นผมก็ตั้งใจจะรักษาศีลอยู่แต่เราอาชีพผมนะั่ปลูกยาเวียนียขายมันจะเป็นต้องได้ฉีดยาฆ่ามแมลงไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้เลยมันจะกินใบยาไปหมดเลยเขาก็จะไม่ซื้อนี่ถ้าใบยามันทะลุปลูพงเป็นช่องเป็นรูองั้นแล้วแล้วขอให้ท่านแสดงว่าการฉีดยาอย่างนั้นไม่เป็นบาปเป็นโทษจะได้ไหมพีม่นว โอไม่ได้เนาะเพราะว่าการทำปาณาิบาคือฆ่าสัตว์นี่มันเกี่ยวกับเจตนาเมื่อเราเจตนาจะฆ่าให้มันตายอย่างนี้นะมันก็ผิดศีลแล้วอะ่เะเอพอไปชี้จ้าเข้าไปสัตว์มันตายศีลก็ขาดแล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปทํายังไงอะ่ะจะไปหลีกเลี่ยงไงว่าไม่ให้เป็นบาปทางหลีกเลี่ยงได้ก็มีแต่ ไม่ต้องทำสวนยาอะไรดีกว่าง น, นเราทำอาชีพอย่างอื่นแทนอางนี้ที่ดินเรามีอย่างเนี้ยเราอาจปลูกไม้ดอกไม้ผลอื่นๆที่ไม่มีมแมลงเป็นศัตรูมากมายนั่นเองเราก็อาจจะทำได้ว่างเงนเนี้ยก็ลองพิจารณาดูผลไม้อะไรที่มันคนนิยมซื้อ มีราคาดีอยู่ในท้องตลาดอย่างนี้นะไม่เฉพาะทยานะอันอื่นมีอยู่ของกินเนี่ยขายไม่อันหรอกกนก็แนะนำได้เพียงแค่นี้แหละว่าอันจะให้อจตมาพูดเราไม่เป็นบาปนั้นอัตมาไม่พูดแล้วแล้วแต่โยมโยพี่นาวเองเหมือกันนี่เพราะฉะนั้นจึงว่า พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าปาณาติบาตประกอบไปได้องค์ห้าหนึ่ ง, งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหนึ่งสามจิตทิ่จะฆ่าสี่ทำความเพียนที่จะฆ่าสัตว์ท่านนั้นให้ตายห้าสัตว์นั้นตายโดยความเพียนนั้นเอย่างนี้แหละ ปานาธิบัตก็พร้อมโดยองห้าอย่างนี้เองเนี่ยอธินนาทานก็พร้อม้วยองห้าเหมือนกันเนี่ยสินจะตอบไปบางทีก็พร้อมโดยองสามก็มีองสี่ก็มีมันมันก็เกิดจากเกตตนาทังนั้นแหละรวมความแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจการรักษาสินเมื่อแต่รักษาแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจ ว่าสินตนขาดหรือไม่ขาดอย่างนี้ก็ไม่รู้ชัดเจนอย่างนี้นะเอะมันก็หมายความว่ารักษาสินไม่ประกอบไปด้วยปัญญาอไปอย่างนั้นดันั้นรักษาสินมันต้องมีปัญญาประกอบด้วยไม่มีปัญญามันก็สินนี่นก็ขาดไปได้อย่างนี้นะหรือไม่ฉะนั้น ตนทำบางสิ่งื่ออย่างไปซึ่งไม่ผิดศีลก็เลยเข้าใจกันว่าผิดศีลไปเกิดเดือดร้อนใจขึ้นมาอย่างนี้แหละเช่นนี้จึงไม่ควรจึงไม่ควรประมาทควรพากันพิจารณาศีลที่ตนรักษาให้มันเข้าใจทุกข้อไป ศีลมันเกี่ยวกับเจตนาว่าไงแต่ว่าข้อสุราเนั่ยนะให้เข้าใจเจตนาก็พิษไม่เจตนาก็พิษถ้าดื่มให้ล่วงไหลลำคอเข้าไปนี่เนะี่ยศีลข้อนี้แหละไม่เจตนาก็เป็นบาปศีลก็ขาดแต่ว่าสี่ข้อเบื้องต้นนั้นมีเกี่ยวกับเจตนาทางนั้นเลย มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาดูให้ดีเหมือนอย่างเช่นว่ามีคนเขาต้องการยังให้ดื่มเหล้าอย่นี้ไปในงานต่างๆเล้วทาท่าเอาเหล้าใส่จอกน้ํามาแล้วก็มายื่นให้เราปฏิเสธว่าไม่ใช่น้ํอาอำไม่ใช่เหล้าดอกน้ําธรรมดาอย่างงี้นะ ตนก็ไม่ได้พิจารณาไปเชื่อเขานนั้แล้วนก็เอามาดื่มลงไปแล้วจึงรู้ว่าเป็นเหล้าอย่างนีนะ้นั่นแหละมันไม่พ้นโทษอนะมาขาดความไกล้ครวนถ้าหากว่าเมื่อเขายื่นมาอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เหล้าดอกน้ําดอกนี่เราก็เอามาดมดูซะก่อนนี้กลิ่นน้ํากับกลิ่นเหล้านะี่ยมันต่างกันไกลกันนึกนักหนานี้นั่นไนงะ มันก็รู้ได้เลยว่าเป็นเล่าก็ไม่ต้องดื่มกันอย่างนี้นะนี่แหละการรักษาศีลก็รักษาจิตเจตนาวิรัตละเว้นนั่นแหละเราเจตนาวิรัตละเว้นแล้วก็รักษาจิตดตวงนั้นไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในความละเว้นอันนั้นนะว่าตนได้ละเว้น ความชั่วเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วให้จิตมันรู้อยู่อย่างนั้นนะรู้ว่าตนได้ละเว้นความชั่วเหล่านั้นสเสมอไปเลยเอย่างนนั่นแหละนั่นเรียกว่าตัวศิล น, นะอืตัวสินตัวศินก็นคือตัวจิตที่สำรวมระวังด้วยดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองไม่ให้มันพลังเผยเจตนาใช้กายใช้วาจาทำพูด ไปในทางที่ผิดศี น, นั่นแหะรักษาเจตนาความคิดความนึกนั้นไว้ให้ได้อ้อย่างนี้นะก็เป็นอ น, นว่าเราก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนอเป็นอย่างนั้นแม้ศีลอุโบสถศีลแปดก็เหมือนกันหรือศีลสิบสิบสองศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันแหละเมื่อรักษาจิตใจให้ตั้งมั่น อยู่ในกุศลธรรมด้วยดีแล้วอย่างนี้นะอันจิตเจตนาที่จะไปล่วงศินล่วงวิเลยนั้นไม่มีนี่เพราะว่าได้พิจารณาเห็นแล้วว่าพุทธบัญญัติทั้งหลายนั่นที่พระพุทธเจ้ า, จาทรงบัญญัติขึ้นห้ามแล้วว่าให้ทําแล้วพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นโทษเป็นบาปอันเรื่องบาปเนี่ย มันมบีบาปมากบ้างน้อยบ้างเบาบ้างหนักบ้างหกพันกลางบ้างอย่างงี้นะบาปมันไม่ใช่มีขนาดเดียวนี่มันหลายขนาดนี่อย่างงั้นเพราะฉะนั้นบาปขนาดเบาอย่างเรื่องของพระอย่างงี้นะหากเล็ต้องอาบัติอย่างเบานั้นนะเมื่อรู้ว่าตนพลั้งเผลอต้องอาบัตแล้วรีบไปขอสารภาพตนต่อเพื่อนพี่ถุงเรื่องหนึง่ง ว่าผมได้ต้องอาบัติทิศขาบทั้นแล้วด้วยความพังเผอผมมาขอแสดงต่อท่านอย่างนี้นะแล้วก็แสดงไปเมื่อแสดงจบลงแล้วก็เป็นอันว่าพ้นโทษนั้นไปอันนี้เรียกว่าโทษอย่างเบาอันนี้นะไอญาติโยมก็เหมือนกันเนะี่ยเมื่อไดล่วงทิศขาบทอันใดอันหนึ่งโดยพังเผอไป อย่างนี้รู้ตัวแล้วรีบสมทานเสียถ้าหากว่าไม่มีโอกาสจะได้สมทานกับพระจะนี่ก็สมทานเอาด้วยตนเองไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนกรัยกราบไหว้และนี่ก็กล่าวคำสมทานขึ้นว่าข้าพเจ้าขอ อสมทานสิกขาหมดที่หนึ่งหรือที่สองที่สามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินนั้นนั้นอือันนี้เนะี่ยต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ล่วงเกินโดยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้โทษที่ข้าพเจ้าได้ล่วงลำธรรมนันจงหมดไปจา ก, กจิตใจของข้าพเจ้าอื นี่ท่านเรียกว่าสมทานสินอร้อยตนเองเพราะได้อยู่ห่างไกลจากพระไม่มีโอกาสที่จะไปในทันทีทันใดได้อางนี้ล้วก็จุดทุกเพียนบูชาพระกล่าไวไหว้เสร็รแล้วก็สมทานอร้อยตนเองออย่างนี้ก็สินมันก็มีคืนมาตามเดิมอย่างนี้ คนเราเมื่อมีศีลดีแล้วนะไปภาวนาเข้าไปอย่างนี้มักจะทำใจให้สงบได้รวดเร็วเพราะว่าก่อนที่จะภาวนามันต้องทบทวนข้อศีนซะก่อนเมื่อเห็นว่าตนนั้นมีศีนบริสุทธ์ดีแล้วอย่างนี้ก็ก็ไม่กินแหงแขงใจไม่ไม่ไม ไม่คิดว่าตนจะมีบาปอะไรอยู่ในตัวอยนี้จิตใจมันก็เบิกบานลบอลไรวบบนี้น ะ, ะเมื่อจิตไปใจิตใจเบิกบานอย่างนั้นแล้วเราน้อมสติเข้าไปประคองจิตคือความรู้สึกอ น, นั้นต์อยู่ภายในด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไป สติก็ระลึกยังเข้าไปหาความรู้สึกนั้นอย่างนี้นะสติไม่ไม่ระลึกไปทางอื่นเพียงนึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นได้มันไปประค้องความรู้สึกอันนั้นอยู่แล้วเช่นนี้นี่จิตใจมันจะสงบระงับลงไปเลยมันจะหยุดคิดอะ่ะ อ่ น, นั่นแหละใจมันหยุดคิดทีแรกนี่มันก็ยังสงบไม่ละเอียดเท่าไรหรอกแต่ว่ามันก็เริ่มแล้วเริ่มจิตส ง, สงบลงเมื่อเราเพ่งความรู้สึกอันนั้นมากๆเข้าไปอใจิตใจมันก็คลายอารมณ์สั่งๆที่มันยึดถือไว้ออกไปอารมณ์ที่ เป็นบาปอากุศลบ้างอารมณ์ที่ไม่เป็นบาปบ้างอย่างนี้นะมันอำนาจแห่งความสงบนี่น่ะอำนาจแห่งความเพ่งมันทำให้อารมณ์ต่างๆที่ใจหลงยึดหลงถือไ้นั้นถอนตัวออกไปจากกิจนี้บางคนก็มีวิตรปรากฏบางคนก็ไม่มีมันดับไปเฉย ผู้ที่มันมีนิมิตปรากฏนั้นเราก็รู้เท่าว่ามันเป็นแต่เพียงสัญญาอารมณ์ไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวจังอะไรเมื่อไม่ใส่ใจไม่คิดไม่ส่งใจไปตามมันตนสำรวมจิตยอยู่ในปัจจุบันเข้าไปและอย่างนี้นิมิตเหล่านะั้นมันก็ดับไปเองมันกปอย่างนี้ก็ต้องให้รู้เท่าไว้ผู้ภาวนา ถาหาว่าเราไม่เพ่งลงไปอย่างนั้นเพียงแต่คมขมจิตหน่อยหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปเฉยเท่านี้นี่มันอารมณ์ต่างๆที่จิตหลงยึดลงถือไว้มันไม่ออกหรอกมันไม่ถอนตัวออกไปอืมต่อาเราเพ่งเข้าไปเมื่งมากเข้าไปจิตไม่คิดส่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างนี้ จิตมีตั้งมั่นรู้อยู่ปัจจุบันเสมออย่างนี้นั่นแหละอำนาจของความเพ่งนั่นนะมันไปทับเอากิเลสอารมณ์ต่างๆนในจิตใจอารมณ์เหล่านั้นกิเลสนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ถอนตัวออกไปในเข้าใจการเพ่งนี่มันก็ลําบากสักหน่อยเพราะว่าเพ่งเข้าไปอย่างนี้ กิเลสอันใดมันมีมันก็แสดงบทบาทต้านทานต่อกระแสจิตอนนั้นตอมันต้านทานทำให้จิตนั้นพลิกไปพลิกมาอย่างนี้นะ่งแต่ถ้าหากว่าความอดทนไม่เพียงพอสติไม่เ ก, กล้าพอก็เลยพ่ายแพ้ต่อมาคือกิเลสเพ่งไปไม่ได้ท้อใจแล้วก็หยุดเสียอย่างนี้นะ พอหยุดลงไปมันก็ตกเป็นธาตุของกิเลสอยู่ของเกขานั่นแหละจิตนั่นนะ่ะดังนั้นให้พากันเข้าใจการที่เราภาวนาเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปมันเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นความรู้สึกมันผิดปกติอย่างไรขึ้นเราก็ไม่หวันไหวอ่เอาเราทุกขกับกิเลสเท่วนี้นะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเราไม่หวนไหวอย่างนี้นะ เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เพ่งเข้าไปมันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรต่างๆขึ้นมาก็ชั่งเอาเวทนาก็สักว่ตแต่เวทนาไม่ใช่สัตบุคคลโดวตนเราเขาอะไรเลยเราจะมาเดือดร้อนอะไรกับเวทนานี่มันไม่ใช่ของเราอย่าไปเดือดร้อนเลยถ้าเราไปเดือดร้อนกับเวทนา ก็หมายความว่าเรายึดเอาทุกขเวทนาไว้ในตนตนก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแ่ะเรื่อยไปออืเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าตนรู้เท่าอดทนไม่วันไว้ไปตามไม่ยึดถือมันอย่างนี้มันจะมาครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์ไม่ได้เลยมีแต่ความรู้สึกเฉยๆแต่จิตใจไม่กมลก歪เพราะว่าทุกข์มันครอบงำจิตไม่ได้ จิตมนมีสติคุมอยู่มีสมาธิป้องกันอยู่อย่างนี้นะมีปัญญาเห็นแจ้งอยู่ว่าทุกข์ขัดขันนี่มันเป็นเรื่องของขันห้าขันห้านี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็แปรปรวนเมื่อแปรปรวนมันก็กระทบกับจิตนี้ทําให้เกิดความรู้สึกทุกเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานี่ มันก็เท่านั้นแหละวันนี้เมื่อจิตน่รู้เท่าไม่วันไวแล้วทุกเวทนานั้นก็ครอบงาจิตไม่ได้แล้วก็ละตัณหาอย่าไปอยากให้มันหายอย่าให้อยากอย่าไ อ, อยากให้มันดีมัน อ, อันเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ไปอย่าไปคิดอยากไปอย่างนั้นนะนั่นแหะที่พระวิ้าตว่าตัณหาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ เมื่ออยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เป็นทุกข์เราบนี้น ะ, ะดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์ว่าเมื่อไรเนอะถึงจะหายคาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดีวันไหนเนอะเราถึงจะหายวิตโตอยู่อย่างนั้นถ้าเมื่อเมื่อมันไม่หายตามใจคิดใจนึกก็เศร้าโศกเสียใจแลาวบนนี้นะเดือดร้อนเหมือนไปอย่างนั้น เพราเราไม่ต้องไปวิตกมันเออเจ็บไข้ได้ป่วยลงถ้าเป็นหนักก็ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอเขากรวดรักษาถ้าบุญวาสนาของเรายังไม่หมดมันก็ไปถูกยาเขาให้มันก็หายถ้าบุญวาสนาหมดลงแล้วก็แล้วไปเอเพราะว่าในไหนมันก็จะตายแน่นอนนะไม่ตายวันหนึ่งก็ตายวันหนึ่ง แล้วแต่บุญกรรมที่ตนทำมามากน้อยเพียงใดเมื่อเมื่อบุญยังอยู่มันก็ยังไม่ตายถ้าบุญหมดลงเมื่อใดแล้วก็ตายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสเศราโศคเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายที่อยู่ข้างหน้านั้นไม่ไกลก็ไม่ต้องสะดุ้งวาดรนพันพึ่งเพราะว่าเราเพ่งพินาดูละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ว่าเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเลยเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นเรานี่เมื่อเป็นเช่นนี้ขันห้ามันก็แปลพวนแจกดับไปตามเรื่องของมันเราก็ไม่มีส่วนอะไรกับขันห้านั้นเพราะเราไม่ยึดถือว่าเป็นของเรานี่เมื่อเป็นเช่นนี้ดวงจิตนี่มันจะเป็นทุกข์ทำไมเล่า มันก็ไม่เป็นทุกข์แน่แต่มันมีความรู้สึกเฉยๆเพราะเพราะว่าจิตนี่มันอาศัยอยู่ในขันหานี้จะไม่ให้มันรู้สึกในเมื่อขันหานี่มันแปรปรวนไปไม่ได้ต้องรู้สึกแต่รู้สึกแล้วก็รู้เท่าอย่างที่ว่านั่นแหละรู้เท่าแล้วก็อดทนยิงชื่อว่ารู้เท่าอย่างนี้ถ้ารู้เท่าแล้วไม่อดทนก็ไม่ชื่อว่ารู้เท่า อดทนไม่วันไหวอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าจิตก็ไม่เป็นทุกข์แล้ววานี่พระพุทธเจ้ายัางทรงตรัสว่าสร้างคาราประมาดุขา่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่พระพุทธเจ้าหาวันไหวด้วยทุกข์เหล่านั้นไม่นี่แหละ หรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็หาได้วันไหวกับทุกข์เหล่านั้นไหมเพราะว่าท่านจิตของท่านอยู่เหนือทุกข์แตแล้วอยู่เหนือขันห้าแล้วไม่ได้ยึดขันห้าว่าเป็นตัวตนเราเขาแล้วอาศัยอยู่ในขันห้าเหมือนอย่างใบบัวอาศัยอยู่ในน้ำออน้ำซึมซาบเข้าใส่ใบบัวไม่ได้สันใด กิเลสตัณหาความทุกข์ทั้งหลายก็ซึมซาบเข้าสู่จิตของพระอระหันต์ทั้งหลายไม่ได้ก็ฉันนั้นนี่หลยให้พากันพิจารณาดูเราอย่าไปททอใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปเอาชนะทุกอย่างนั้นได้เมื่อไปโทษใจเสียก่อนอย่างนี้มันก็เอาชนะไม่ได้จริงๆเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่โทษใจเราทำใจเข้มแข็งเข้าไปเพ่งเข้าไปไม่โทษไม่ถอยเมื่อเพ่งเข้าไปนานๆเข้าสติมันก็เก่กล้าเข้าไปสมาธิมันก็เก่กล้าเข้าอย่างนี้นะเมื่อสมาธิมันเก่กล้าเข้าไปแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นกับสมาธินั่นแหละวันนี้เมื่อจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญาไม่หนีไปไหนบันี้ ก็ย่มรู้แจ้งในธาตุสีกันหนาตามเป็นจริงได้เลยแบบนี้รู้ชัดต่อไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตามองดูละว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากเขาจากเรานี่เรียกว่าเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะท่านจึงเรียกว่าสุญญตานุปัสสนา อืคือจิตเห็นแจ้งว่าธาตุสีขันหานี่เป็นของว่างเป็นของศูนจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาอืไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยไม่มีใครบังคับบัญชาได้มีแต่เพียงรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั่นแหละจิตที่อาศัยอยู่ในขันหานี้นะการที่เราจะรู้เท่าได้ก็เพราเราฝึก ออให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละเมื่อมีศีลบสุทละใจกระเบิดวันผ่องแผ้วบันนี้ฝึกเพ่งอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเข้าไปทําจิตนี่ให้สงบแน่วแน่ให้เข้มแข็งขึ้นเอ่นี่แล้วเจริญปัญญาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงในขันห้าอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละนี้แหละที่จิตจะเข้มแข็งได้นะที่จะไม่วันไว้ต่อ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขันห้าเวลาขันหน้ามันโรคภัยเบียดเวียนวิบัตรแริแปรปรวนไปอย่างนี้นะเราก็เมื่อเราฝึกจิตใจเข้มแข็งไว้อย่างว่านี่แหลวมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วเย่งถ้ารู้ว่าโรคภัยก็เจ็บที่เบียดเวียนร่างกายนี่มันจะเบียดเวียนไปจนถึงวันตายนี่แหละไม่หาย อย่างนี้นะเรารู้อย่างนี้เราก็ยิ่งทำใจเข้มแข็งไว้เสม อ, อเมื่อบุคคลเป็นผู้มีสติประคองจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วมันก็ไม่ห่วงอะไรแล้ววันนี้นะมันไม่วิตกวิจารไปห่วงกับสิ่งใดทั้งหมดภายนอกนู่นนะแม้แต่ขันห้าที่เป็นส่วนภายในที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่จิตที่รู้แจ้งนั้นก็ไม่ไม่ห่วงไม่ห่วง นี่นั่นแหละไม่อะไรไม่เศร้าโศกเสียใจกับขันหานี้นี่หนละการฝึกขนอบรมจิตใจในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ถอนทนออกจากทุกภัยในวัฏฏสงส า, าสรอันนี้ ถอนตนมาเข้ามาถอนดวงจิตนี้เองแหละถ้าดวงจิตนี่ยังมาอาศัยอยู่ขันห้าในตราบใดจิตนี้ก็จะต้องได้สวยสุขสวยทุกข์ไปในสงสารนี่อยู่อย่างนั้นแหละแต่ผลสุดท้ายนั้นสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขจะไม่สวยทุกข์ยังไงแล้วก็เมื่อร่างกายสุดโทมความชลาครอบงาเข้ามาแล้วอย่างนี้นะ ลุกก็ยากนั่งก็ยากตาก็มัวหูก็อื้อฟันก็รอนเคี้ยวอาหารแข็งก็ไม่ได้ต้องรับประทานแต่อาหารอ่อนๆจึงจะได้อันนี้ถ้าไปรับประทานอาหารแข็งเคี้ยวไม่แหลกแล้วก็กลืนลงไปในท้องมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะไปธาตมันก็ย่อยไม่ได้เรื่องมันนะีเหตุนั้นคนอายุมากฟันไม่ไดี ก็จึงเลือกทานตั้งแต่อาหารอันอ่อนนุ่มนิ่มอาหารแข็งอย่าไปทานมันแม้จะเคยชอบมาตะก่อนเช่นเนื้อแห้งอย่างนี้นะบางคนชอบหลายฝันไม่ดีอะไรก็ยังไปขืนเคี้ยวอยู่นั่นแหละสักหน่อยฟันโยกก็ปวดฟันอออย่างนี้มันความอยากนึงว่าก็เราไม่ต้องไม่ต้องอยากมันละ อยากไปทำไมอ่ะเมื่อมันให้โทษแล้วนี่แหละเมื่อร่างกายมันทุดโทลงไปอย่างว่านี้แล้วมันมันจะมีอะไรละ่ะเป็นของตัวของตนนะออลองคิดดูลองถามใจตัวเองดูถ้าเป็นของตนจริงๆตนก็บังคับมันได้ะสิใครจะไปอยากแก่อยากง่อมเกิดมาแล้วอยาก เป็นหนุ่มกระซุ่มกะซวยอยู่เพราะว่า น, นั้นไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยอย่างนี้นะความประสงค์นั้นเป็นอย่างนี้เหมือนการมดในโลกสันิบาตอันนี้แต่แล้วมันหาได้เป็นไปตามใจหวังไม่เพราะอะไรล่ะก็เพราะรูปนามอันนี้นะมันบังคับไม่ได้เลยมันไม่เป็นไปตามอำนาจของผู้ใดทั้งนั้นเลย ใครจะมีอำนาจล้นฟ้ามันก็บังคับไม่ได้เลย ม, มันย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมก็ว่าได้คือกรรมมันตกแต่งนี้รูปนามอันนี้นะกรรมดีกรรมชั่วมันตกแต่งให้อย่างนี้แหละแล้ววันนี้กรรมดีกรรมชั่วนะันมันก็มีขอบเขตวันนี้นะตนทากรรมดีกรรมชั่วมากมาน้อยเพียงใด กรรมดีกรรมชั่วมันก็รักษาชีวิตอันนี้ไปให้ได้เท่านั้นแหละเมื่อไปถึงนั้นแล้วมันหมดลงได้สิเหมือนน้ามันกับใส้ตะเกียงนั่นแหละจุดเข้าไฟไฟไหม้ใส้ไหม้น้ามันน้ามันก็แห้งไปแห้งไปเมื่อน้ามันหมดลงไฟก็ดับวูบลงไปงนี่อันนี้ฉะนั้นเมื่อบุญของพวเราหมดลงเวลาใด ชีวิตนี้กระดับวูบลงไปเลยเรียกว่าตายจิตก็อาศัยร่างกายนี้ไม่ได้ตนทำบุญทำบาปอะไรไว้บุญบาปก็รองรับไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นในภาวนาการปรงลงไปวางลงไป